เชิญพลทุกทุกท่านวันนี้คนจัดรายการขาอนิมนต์อาตมามาเทศเรื่องที่เข้าใจไม่ได้เลยเรื่องพุทธศาสนากับจิตเวชศาสตร์ไทยอาตมารู้แต่พุทธศาสนาจิตเวชศาสาตร์หน้าตาเป็นยังไงยังไม่เคยรู้เลยเพราะฉะนั้นอาตมาคงพูดแต่เรื่องพุทธศาสนา ส่วนโยมทั้งหลายเชี่ยวชาญจิตเวชศาสตร์ก็มีหน้าที่เอาไปคิดเองนะเอาไปพิจารณาเองว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับจิตเวชศาสตร์มีไทยด้วยนะยังก็ว่าศาสตราพุทธมีเฉพาะเมืองไทยคือพระพุทธศาสน า, าจริงๆเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือทํำยังไงเราจะลงมือปฏิบัติ เพื่อความพนทุกข์ได้จริงๆอะไรมันทุกข์ก็ใจเป็นทุกข์นั่นแหละจะเกี่ยวกับจิตเวชศาสตร์ก็คงตรงที่ทำยังไงใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่เครียดใจจะไม่เพียนแต่ว่าพวกเราบางท่านนะจะรู้สึกเลยว่าพวกที่ศึกษ า, าศาสนาพุทธนั่นแหละมีปัญหาทางจิตคนดีๆทั้งหลายเนี่ยถ้ามาหัดภาวนาเราจะบ้าแต่แปลกอย่างหนึ่งนะ คนไหนบ้าเราชอบเอามาส่งให้เราให้ภาวนาแล้วจะได้หายบ้าในความเป็นจริงแล้วถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาให้แจมแจ้งเราจะรู้เลยว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสตร์แห่งชีวิตจิตใจที่ประณีตลึกซึ้งที่สุดเลยท่านไม่ใช่สอนแค่ให้เราคิดๆเอาท่านสอนให้เราเห็นนะฝึกฝนตัวเองจนเราเห็นกลไกลการทางานของจิตได้จริงๆ ถ้าเราศึกษาธรรมะนะด้วยปริยัติมันก็เรียนไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่เราจะเห็นกระบวนการทำงานของจิตนี่มีจริงๆ จ, จิตจะปลูงแตง่งเรียกว่าจิตมันปรูงแตง่งมันจะทำงานทำดีบ้างทาไม่ดีบ้างนะทำแล้วมีสติบ้างทำแล้วขาดสติบ้างทาจนเพี้ยนไปเลยก็มีถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเรียนรู้เรื่องจิตได้แจ่มแจ้งรับรองว่าไม่บ้าหรอกจะมีความสุขนะ ชีวิตจิตใจอยู่เต็มไปด้วยความสุขยังไม่มีอะไรเทียบเลยความสุขในโลกที่พวกเรารู้จักในเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเป็นความสุขที่ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีอิสรภาพที่แท้จริงหรอกแต่ถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาให้จแจ่มแจ้งเราจะพบความสุขในชีวิตจิตใ จ, ใจนะที่เป็นอิสระความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นหรือสิ่งอื่นเลยมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเอง จะเปลี่ยนรัฐบาลหรือไม่เปลี่ยนนะน้ำมันจะแพงน้ำมันจะถูกหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงเราก็สามารถมีความสุขอยู่ได้โดยที่ไม่ได้สกดจิตตัวเองด้วยเนะพระพุทธศาสนาจะสอนให้เราเรียนรู้จิตใจตัวเองอย่างลึกซึ้งจนรู้ว่าความทุกข์ทางจิตใจมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้ารู้ในกระบวนการที่มันปลุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาไดนะ้ความทุกข์มันจะไม่เกิดเองนะอัตโนมัติเลย วิธีการที่เราจะเรียนรู้จิตใจตัวเองนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะชื่อฟังยากเราลืมคำ ว, ว่าวิปัสสนากรรมฐานไปซะเลยก็ได้นะมันคือการเรียนรู้จิตใจตัวเองเรียนรู้เจอท้ารู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงความไม่ทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงงั้นบางคนจะบอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่มีขอบเขตอยู่นิดเดียวสอนเรื่องว่าความทุกข์กับความฟ้นทุกข์นะ หรือทุกกับการปฏิบัติเพื่อความนทุกข์นขอบเขตมีอยู่เท่านี้เองถ้าใจมันไม่ทุกข์นะยกเว้นแต่ร่างกายผิดปกติจริงๆอะ่ะมันก็ไม่มีทางเพี้ยนหรอกแต่ว่าถ้าร่างกายมันผิดปกติไปนะจะเกิดจากเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่เกิดจากจิตใจไอ้นี่โอกาสเพี้ยนมันก็ยังมีอยู่ก็นะต้องอาศัยหมอไปรักษาแต่เท่าที่สังเกตเยอะแยะเลยส่วนมากใจมันเครียด เริ่ ม, มาตั้งแต่สะสมความเครียดทีละเล็กทีละน้อยนะเครียดไปเครียดมาบางทีก็ปิดตัวเองออกมายุ่งกับโลกไม่ได้เลยซ่อนตัวเองนานๆไปก็เพี้ยนหนักขึ้นหนักขึ้นนะพูดจาไม่รู้เรื่องหูแว่แวๆเห็นโน่นเห็นนีนะ่ถ้าสามารถปฏิบัติทำเป็นใจจะไม่เครียดเราจะรู้เลยว่าความเครียดเกิดจากอะไรความเครียดเนี่ยมันเกิดจากใจที่มันอยากใจมีความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่นะใจจะเกิดการดินน้นรน ใจจะดิ้นรนใจจะทํางานนะถ้าพูดภาษาพระนะใจที่มีความอยากเรียกใจมันมีตัณหามีอุปาทานใจที่ดิ้นรนนะั้นหมิ่นเรียกว่าพบพบคือความดิ้นรนของจิตนะเมื่อมีความดิ้นรนเกิดขึ้นมามันจะจิตใจมันจะเข้าไปยึดถือนะไปยึดถือในตัวเองไปยึดถือกายยึดถือใจไว้เรียกว่ามันมีชาตินะมีชาติเมื่อไหร่มันก็มีทุกข์ขึ้นมามีภาระทางใจขึ้นมา คนโดยทั่วๆไปหรือสัตว์โดยทั่วๆไปที่ไม่ใช่พระอราหันต์เนี่ยจิตมีความเครียดตลอดเวลากระทั่งในเวลาที่มีความสุขจิตก็มีความเครียดแต่ถ้าเราดูไม่เป็นเราจะไม่รู้สึกว่าเครียดหรอกนะวิธีการที่เราจะเรียนรู้นะเรียนรู้จิตใจตัวเองเนี่ยง่ายที่สุดเลยเราอย่าไปวาดภาพนะว่าการเรียนรู้จิตใจตัวเองมันยากแสนยาก งานง่ายๆที่เราจะเริ่มต้นนะคือคอยสังเกตแค่ใช้ความสังเกตัเองสังเกตความรู้สึกของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงเราจะพบว่าความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่จะเรียนรู้จิตใจตัวเองไม่มีอะไรมากกว่าการตามสังเกต เราเปลี่ยนสถานภาพของตัวเองจากผู้กระทำมาเป็นผู้สังเกตการทํทำตัวเป็น observer เท่านั้นเองนะไม่ใช่ผู้กระทำนี่พวกเราที่ภาวนาผิดๆนะสนใจปฏิบัติทรรผิดๆจนกระทั่งเพียนเนี่ยเพราะแทนที่จะทำตัวเป็นผู้สังเกตการกลับเป็นผู้เข้าไปควบคุมตัวเองเมื่อไหร่เข้าไปควบคุมจิตใจตัวเองเมอนั้นความเครียดก็จะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเก็บกด ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของการเก็บกฎแต่เป็นศาสนาของการตามรู้ความจริงของจิตใจไปอันนี้พูดเฉพาะจิตนะความจริงเรื่องกายด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามันก็มีกายกับจิตเพราะนั้นเวลาเรียนทางศาสนาพุทธจะเรียนอยู่ที่กายเรียนอยู่ที่จิตเองสโคบของการเรียนนัเรียนอยู่ในกายในจิตเองไม่เรียนมากกว่านั้นหรอกนี้พวกเราเป็นนักจิตวิยาเป็นจิตแพทย์จิตในพวกนี้เราก็มาเรียนเรื่องจิตให้มากหน่อย วิธีการที่จะสังเกตจิตใจตัวเองไม่ยากเท่าที่คิดหรอกนะพวกเรามีใครไม่รู้จักความสุขบ้างมีไหมใครไม่เคยสุขเลยมีไหมใครไม่เคยทุกข์มีไหมใครไม่เคยโลภมีไหมมีใครเคยโกรธบ้างมีไหมนี่หลวงพ่อกาลังทดสอบนะว่าฟังหรือเปล่านะดูซิมันฟังเพลินตาแปว๋วแป๋วนะน้อยคิดไปนอกของโรงแรมแล้วนะนะมีใครไม่เคยโลภนะมีใครไม่เคยหลง ใครรู้จักไหมฟุ้งซ่านเป็นยังไงใครรู้จักไหมหดหู่เป็นยังไงใครรู้จักไหมกังวลเป็นยังไงกลัวเป็นยังไงมีผู้ชายคนไหนไม่เคยอิดช้าไหมมีผู้ชายคนไหนเคยอิดช้าไหมนะเห็นไหมถูกหลอกแล้วนะฟังไม่ทันแนะนะ้ในความเป็นจริงนะความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้วนะเราอย่าไปคิดนะว่าการศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจในทางพุทธศาสนาเ น, นี่ยมันลึกลับ ต้องไปนั่งหลับหูหลับตาทําสมาธิหลายๆปีทําสมาธิหลายปีไม่ได้ศึกษาจิตใจนะม่นกลายเป็นการน้อมจิตให้นิ่งน้อมจิตให้สงบเวลาที่จิตใจสงบเนี่ยมันกระทบถึงร่างกายเหมือนกันเวลาจิตสงบจิตรวมจิตสบายนะเลือดมันจะมาเลี้ยงสมองส่วนหน้าเยอะนะมันจะให้ความรู้สึกที่สว่างโล่งผ่งใสนะความจริงเลือดมันมาเลี้ยงอยู่ตรงนี้นะมันมามากผิดปกตินะแต่ทําแล้วดีไหมดี สมองตรงนี้นะถ้าเลือดมันมาอยู่ตรงนี้เยอะๆจิตใจจะรู้สึกสบายรู้สึกรีแล็กซ์นะแต่ถ้ามันเครียดนะมันจะใช้สมองตรงกลางส่วนตรงกลางเราพ่อเรียกไม่เป็นนะเราได้แต่ดูเอาแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยตัวเวลาที่ความรู้สึกแตกต่างกันเนี่ยใช้สมองคนละที่กันนี่คนทั่ ว, ท, วทั่วไปนะมันไม่เคยพัฒนาสมองส่วนที่ดีแต่ละวันแต่ละวันนะมันปรุงแต่งแต่ความชั่วร้ายในใจ ถ้าหัดเรียนกรรมฐ า, านกับหลวงพ่อสักช่วงหนึ่งนะจะเห็นเลยทั้งวันนี้เต็มไปด้วยความชั่วพูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะตอนที่เรายัางภาวนาไม่เป็นเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนดีแต่หลวงพาวนาให้เป็นสิจะรู้เลยว่าหานางมันร้ายนี่ไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยนะหาซาตานไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยอยู่ที่ตัวเองเองเราจะเห็นเลยว่าใจเราทั้งวันทั้งวันนั้นมันคิดแต่ชั่วชั่วทำแต่ชั่วชั่วนะปรุงแต่ชั่วๆ ว, นะ ว, วความเคยชินมปนอย่างนี้เองนะ งั้นสมองส่วนที่ดีเนี่ยไม่ได้รับการพัฒนาเลยไม่ค่อยใช้งานนานๆไปแล้วก็เสื่อมไปยิ่งแก่ยิ่งเร็วยิ่งแก่ยิ่งร้ายนี่ถ้าเราหัดภาวนาให้ดีนะเราค่อยๆสังเกตไปจิตใจของเรามันขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวยังไงมันดีขึ้นมาก็รู้นะมันร้ายขึ้นมาก็รู้มันโลภมันโกรธมันหลงมันฟุ้งซ่านมันโหนหูมันลังเลสงสัยมันดีใจเสียใจนะมันสุขมันทุกข์นะเราค่อยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆ ฝึกเท่านี้ก็พอละฝึกรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเนืองเนืองต่อไปเราจะค่อยๆสังเกตต่อไปได้อีกไม่เพียงแต่เรารู้ทันความรู้สึกเท่านั้นเราจะรู้กิริยาการรู้กระบวนการทำงานของจิตใจได้เราจะพบว่าเวลาที่ดูนะจิตมันจะวิ่งไปได้เวลาที่ดูจิตมันจะวิ่งไปดูได้เวลาที่ฟังจิตก็วิ่งไปฟังได้เวลาที่คิดจิตก็วิ่งไปคิดได้ยกตัวอย่างนะเดี๋ยวหาอะไรให้ดูดูอะไรดี ดูดอกไม้ช่วยกันดูนะช่วยกันตั้งใจดูที่ดอกไม้นี้แล้วช่วยกันนับนับในใจอะนะมันมีดอกไม้กี่ชนิดสังเกตไปในขณะที่เราตั้งใจดูดอกไม้นี่ใจเราวิ่งไปอยู่ที่ดอกไม้ดูออกไหมเราจะลืมตัวเราเองในขณะนั้นเรามีร่างกายเราก็ลืมมันนะจิตใจของเราเป็นยังไงเราก็ลืม จิตใจเรากาลังสงสัยว่ามีดอกไม้กี่ชนิดเราไม่รู้ทันว่าใจกําลังสงสัยอยู่ใจเราวิ่งไปอยู่ที่ดอกไม้เราลืมตัวเองเมื่อไร่ลืมกายเมื่อไร่ลืมใจนะในทางศาสนาพุทธเรียกว่าขาดสติแล้วเราจะค่อยๆพัฒนาสติขึ้นมานะต่อไปจะพัฒนาให้เกิดปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาแล้วรับรองไม่เป็นโรคจิตหรอกใจจะเครียดไม่ได้ความทุกข์มันเกิดขึ้นทีเผลอนะความทุกข์ทางใจ มัเกิดขึ้นตอนเผลอถ้าตอนมีสติอยู่จะทุกไม่ได้แต่ว่าช่องทางที่จิตใจจะเผลอเนี่ยเยอะมากเลยอย่างเวลาดูเราก็จะเผลอไปดูลืมตัวเราเองเวลาตั้งใจฟังรู้สึกไหมตอนนี้ตั้งใจฟังรู้เรื่องที่หลวงพ่อพูดแต่ลืมตัวเองมีกายก็ลืมมันนะมีจิตใจก็ลืมมันสังเกตไหมลืมตัวเองเนี่ยท่านประธานเสื้อเขียวเห็นไหมใจหนีไปคิด เราลืมกายลืมใจในปัจจุบันนี้นะแล้วเราจะลืมตัวเองตลอดเวลาตัวนี้เรียกว่าขาดสติเมื่อใดขาดสติเราจะไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้แล้วเราจะต้องค่อยๆพัฒนาสติให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะมาเรียนรู้จิตตัวเองให้ได้นะนี่เราจะเรียนรู้จิตตัวเองนะจนกระทั่งวันหนึ่งปลดปล่อยจิตออกจากความทุกข์ได้วิธีเรียนรู้จิตตัวเองนะขั้นแรกพัฒนาให้เกิดสติสติคือความระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกาย คือความระลึกได้ถึงความมีอยู่ของจิตใจคนในโลกนี้ลืมกายลืมใจตลอดเวลาลืมตัวตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็คิดเรื่องคนอื่นคิดเรื่องสิ่งอื่นใช่เวลาดูก็ดูคนอื่นเวลาฟังก็ฟังคนอื่นเราเอาความสนใจใไปอยู่ที่คนอื่นไปอยู่ที่สิ่งอื่นตลอดเวลาเราไม่เคยทบทวนย้อนกลับมาที่จะเรียนรู้ตัวเองเราลืมตัวเองตลอดวันตั้งแต่ตื่นนอนเราก็ลืมตัวเองแล้ว จะไปก่อนหลวงพ่อรัราชการนะตื่นนอนมานึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์จิตใจแห้งแล้งเลยพอนึกได้ว่าวันนี้วันอังคารนะอเบื่อมากวันพุธสุดเซงวันพฤหัสเริ่มมีความสุขแล้ววันศุกร์กะดิกระดาเห็นไหมพอตื่นขึ้นมานึกได้วันนี้วันศุกร์นะสดชื่นเนี่ยนึกได้ว่าลองวิกเอนด้วยนะจะถึงลองวิกเอนแลยิ่งมีความสุขมากกว่าปกตินะ ใจเราคิดนะใจเราก็มีความรู้สึกขึ้นมาในขณะนั้นเราไม่ได้สนใจตัวเองนะเรามัวแต่คิดนะโอ้วันนี้วันศุกร์นะเย็นนี้จะนัดใครไปเที่ยวดีไหมเราจะคิดเลือกสิ่งอื่นไปเลยถ้าเราจะเรียนรู้จิตใจตัวเองไม่ยากเลยเราคอยรู้ความรู้สึกของเราใจมันคิดไปวันนี้วันจันทร์ความรู้สึกเป็นยังไงเรารู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นวันนี้วันพุธความรู้สึกเป็นยังไงพอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นแลววันนี้วันศุกร์ ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาค่อยรู้อยู่ที่ใจของเราเนี่เองรู้เล่นๆอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องไว้อย่าไปเฝ้ารู้ไว้ให้ความรู้สึกนี่เป็นกฎข้อที่1นะของการที่จะดูจิตกฎข้อที่หนึ่งให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้อย่าไปดักไว้อย่าไปจ้องไว้อย่าไปรอดูไม่ใช่ไปรอจ้องว่าเมื่อไรจะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นถ้าไปจ้องไว้เนี่ยมันจะนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราะั้นเราอย่าไปจ้องไว้นะ หลักของการที่จะฝึกเรียนรู้จิตใจตัวเองนข้อที่หนึ่งความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็ค่อยมีสติไปรู้ความรู้สึกนั้นเช่นโกรธขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลบขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโลภใจลอยไปก่อนแล้วรู้ว่าใจลอยนะอิจฉาไปก่อนแล้วรู้ว่าอิจฉาเราจะไม่ไปนั่งรอดูนะจะไม่ไปดักดูจิตนะนี่การดูจิตจะไม่ดักดูให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ กฎข้อที่2ระหว่างที่รู้เนี่ยอย่าถล่มลงไปเพ่งไปจ้องให้เราดูอยู่แบบคนวงนอกนะดูแบบผู้ไม่มีส่วนได้เสียอย่างเมื่อกี้พวกเราสังเกตไหมตอนที่เราดูดอกไม้ใจเราวิ่งไปอยู่ที่ดอกไม้นี่ใจเราถล่มไปนะอย่างนี้เรียกว่าไม่สักว่ารู้ไม่สักว่าเห็นหรอกจิตถล่มลงไปเพ่งไปจ้องถ้าไปเพ่งไปจ้องอะไรจะเกิดขึ้นใจก็จะนิ่งแล้วเราจะไม่ไปเพ่งไปจ้องนะ และข้อที่1ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ข้อที่2ระหว่างรู้เนี่ยอย่าไปเพ่งไปจ้องดูแบบคนวงนอกดูแบบคนไม่มีส่วนได้เสียดูเหมือนกรรมการนะกรรมการห้ามมวยหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะดูอย่างเป็นกลางดูอยู่แบบไม่มีส่วนได้เสียดูอยู่ห àng, ่างหงนะดูร่างกายดูจิตใจเขาทํางานไปเหมือนเราดูคนอื่น ครูบาอาจารย์ท่านชอบเทียบบอกว่าดูเหมือนดูละครอย่างเราดูละครนะเราดูอยู่นอกเวทีใช่ไหมอย่างพวกเราตอนนี้ดูหลวงพ่อพูดเงี้ยเหมือนดูละครพวกเราอยู่ห่างๆพวกเราไม่ได้ขึ้นมาดูบนเวทีเวลาที่เราจะดูจิตดูใจเราจะดูห่างๆเราจะเห็นนะความโกรธผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความโลภผ่านมาแล้วผ่านไปความหลงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยผ่านมาผ่านไปเหมือนแค่คนเดินผ่านหน้าบ้าน ไม่ใช่วิ่งเข้าบ้านเราแล้วเราก็ไม่ได้วิ่งตามเาออกไปนี่คือกฎข้อที่2องนะดูสบายๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูอยู่ห่างๆดูแบบคนวงนอกนะกฎข้อที่สมเมื่อรู้สภาวะใดๆเกิดขึ้นแล้วนะให้รู้ด้วยความเป็นกลางถ้าหากมันไม่เป็นกลางขึ้นมามันหลงยินดีขึ้นมาให้รู้ทันถ้ามันหลงยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทัน เราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเรียกว่ารู้แบบไม่มีไบแอชนะถ้ารู้แบบมีไบแอชไม่ใช่นักสังเกตการที่ดีนักสังเกตการ ready, ที่ดีต้องไม่มีไบแอนะดูด้วยความเป็นกลางจริงๆสังเกตดูความรู้สึกทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล Tales Tales Tales Tales Tales Tales Tales. ้วก็ผ่านไปความสุขมาแล네้วก็ความสุขไปความทุกมาแลวา้วก็ความทุกไป นะจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตใจที่มีกิเลสทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราจะดูแบบนี้ดูด้วยความเป็นกลางลเราจะพบว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนี่สเสมอกันหมดเลยเนะนี่ยวิปัสสนากรรมฐานนะไม่เหมือนจริยธรรมนะวิชาจริยธรรมเนี่ยสุขกับทุกข์ดีกับชั่วนี่ไม่เท่าเทียมกัน ในการทํำวิปัสสนานะเราจะเห็นแค่ว่าความสุขก็เป็นสภาวะหนึ่งความทุกข์ก็เป็นสภาวะหนึ่งเท่าเทียมกันกุศลแล้อกุศลทั้งหลายเป็นสภาวะที่เท่าเทียมกันเราจะทําตัวเป็นแค่คนดูเห็นทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่ความสุขเกิดขึ้นหาทางรักษาความสุขยังไม่เกิดขึ้นหาทางทําให้เกิดนะไม่ใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นหาทางละไม่ใช่ความทุกข์ยังไม่เกิดหาทางปิดกั้นไม่ให้เกิด เราไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรเลยเราทำตัวเป็นผู้สังเกตการแท้ๆเลยทำตัวเป็นผู้สังเกตการให้ได้นะพอเราทำตัวเป็นผู้สังเกตการไปเรื่อยเราจะเห็นเลยความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวนี่นี่เป็นขั้นเจริญปัญญาแล้วนะจากขั้นมีสติก็คือคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยนะมีสติไม่ลืมกายไม่ลืมใจพอไม่ลืมกายไม่ลืมใจก็ดาเนินในกฎ3ข้อนี้ ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วค่อยรู้ระหว่างรู้ไม่ถล่มลงไปเพ่งไปจ้องรู้ด้วยความเป็นกลางนะไม่หลงยินดียินร้ายกับมันนี่เรียว่าเป็นขั้นของการเจริญปัญญาถ้าเราสามารถรู้ด้วยความเป็นกลางได้อย่างแท้จริงเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวนะความทุกข์ก็ชั่วคราวเมื่อต่อไปนี้ความสุขผ่านเข้ามาในใจให้แค่รู้อย่าไปยุ่งกับเขาทําตัวเป็นแค่คนดูเราจะเห็นว่าเขาอยู่ชั่วคราวแล้วเขาก็หายไป ความทุกข์เขาก็อยู่ชั่วคราวนะอะไรอะไรก็ชั่วคราวหมดเลยกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวทุกส mmm ิ่งทุกอย่างเสมอภาคกันด้วยความจริง <enment> ก <ulus> ็ค <at>? ือ <od> ว <consumers> ่าม <Still> ันเป็นของชั่วคราวนะถ้าพูดให้เต็มยศก็คือมันเสมอภาคกันด้วยความเป็นไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาคือด้วยความไม่เที่ยงทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปนี่เรื่องอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้นานนะ มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะสถานการณ์เพราะเหตุการณ์มันเปลี่ยนเพราะเหตุของมันเปลี่ยนตัวมันถูกบีบคั้นตลอดเวลาทนอยู่ไม่ได้นานอันนี้เรียกว่าทุกขังสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเราสั่งไม่ได้จริงอย่างเราจะสั่งให้ใจสุขก็ไม่ได้ห้ามใจไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับแล้วเราไม่ได้เรียนเพื่อบังคับให้ได้นะเราไม่ได้เรียนเพื่อทําความสุขให้เที่ยงทําความทุกข์ให้สูญหายไปเราไม่ได้เรียนเพื่อจะบ แต่เราจะตามรู้ความจริงของจิตใจไปเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันจะเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวนะสั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะเกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวนะมาแล้วก็ผ่านไปผ่านไปนะพวกเราใครเคยทุกข์มากนานเท่าไหร่มีใครเคยทุกข์ถึง1ปีไหมเคยมีไหมมีนะ12รายใครเคยทุกข์หนึ่งเดือนมีไหมระดับเดือนขึ้นไป นี่เริ่มีหลายคนประมาณสิบกว่าคนใครเคยมีความทุกข์เช้ายันค่ามีไหมมีไห ม, ม, มนี่นี่เยอะหลายทุกข์เช้ายันค่ำใครเคยทุกข์หนึ่งชั่วโมงมีไหมโอ้เยอะเลยนะไปเรียนใหม่นะ <c oughs> ความทุกข์ไม่ได้เกิดเป็นวันวันไม่ได้เกิดเป็นเดือนไม่ได้เกิดเป็นปีหรอกความทุกข์เกิดเป็นขณะขณะนะเกิดทีละขณะนะเหมือนรูปในโทรทัศน์อะ รูปแต่ละรูปนะ่ะสั้นนิดเดียวนะแต่อาศัยความจําของเราเนี้ยเราเลยไปจําว่ามันทุกข์ได้นานหลวงพ่อเคยถามมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะไปเรียนตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองการก็ถ า, ถามนะอ้าวใครเคยทุกข์นานๆบ้างมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกล้าหาญนะยกมือเลยหนูข่าทุกข์เป็นปีเลยทุกข์เรื่องอะไรอกหักอกหักนะ่าทุกข์เป็นปีใครเคยอกหักบ้างมีไหม้ไม่มีเลยเหรอชีวิตไม่มีรสชาติเลยเหรอนะ ถ้าไม่เคยหัหักนะมันไม่เข้าใจชีวิตหรอกนะเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้แกบอกเลยแกเคยทุกข์ตั้งปีเพราะหัวหักหลวงพ่อดูหน้าแกแล้วนะหน้าตายแกชอบเที่ยวศูนย์การค้าถามแกเลยว่าตอนที่ไปเที่ยวศูนย์การค้าเนี่ยเคยไหมเกิดปวดท้องกะทันหันอรอว่เคยวิ่งหาห้องน้ํำไปที่ใหม่ๆแนะบางทีหาห้องน้ําไม่เจอใช่ไหม หรือไปที่เก่ารู้ว่าห้องน้ำอยู่ตัวนี้ห้องน้ำมีคนอยู่เต็มเลยหรือปิดซ่อมนะเนี่ยตอนที่วิ่งหาห้องน้ำถามว่าขนาดนั้นอกหักไหมไม่อกหักนะทุรนทุรายห้องน้ำอยู่ไหนวนะวิ่งวิ่ ง, ว, งวิ่งนะพอมีโอกาสเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะก็เริ่มคิดต่อมือหากอกกนะูความทุกข์เกิดตอนคิดเท่า น, นั้นเองอกหักไม่ได้อยู่เป็นปีนะ งั้นมันอยู่ขึ้นมาชั่วเวลาที่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนั่นแหละเมื่อไรเรามีสติขึ้นมาเราก็ไม่ได้อยู่ในโลกของความคิดเมื่อไร่มีสติขึ้นมาเราจะอยู่ในโลกของความจริงคนในโลกนี้อยู่แต่ในโลกของความคิดไม่เคยอยู่ในโลกของความจริงสังเกตไหมเราคิดทั้งวันคิดไปแล้วบางทีก็มีความสุขคิดไปแล้วมีความทุกข์คิดไปแล้วก็โกรธคิดไปแล้วก็โลกโกรธโดยไม่คิดได้ไหมถามนักจิตวิทยาจิตแพทย์หน่อยโกรธโดยไม่คิดได้ไหม โอ้ชักยุ่งแล้วนะฝรั่งมันไม่ได้สอนแต่พระพุทธเจ้าสอนนะโกรธได้ไม่คิดไม่ได้นะต้องปรุงก่อนนะความโกรธมีเหตุถึงจะเกิดเหตุของความโกรธมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะมีอนุสัยคือมีสันดานขี้โมโหบางคนไม่มีสันดานตัวนี้นะถูกย่อตั้งนานเนีไม่โกรธเลยเนะงื่อนไขตัวที่สองนะต้องประทบอารมณ์ที่ไม่พอใจ ขี้โมโหจริงนะแต่ไปไหนก็มีแต่เรื่องพออกพอใจมีแต่ของสวยของงามของอร่อยของดีมีแต่คนเอาใจก็ไม่โกรธสิแล้วต้องกระทบอารมณ์ไม่พอใจด้วยกระทบอารมณ์ไม่พอใจแล้วต้องขาดสติด้วยต้องหลงไปคิดนะต้องคิดนิดนึงนะเราก็ต้องตัดสินในใจว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกกับ น, นี้ผิดอย่างเราขับรถอยู่เคยไหมถูกปัดหน้าถ้ากำลังคิดเรื่องอื่นเพลินเพไม่ได้คิดเรื่องอะไอ้คนที่ปัดหน้าไม่โกรธนึกออกไหม ถ้าคิดอมึงจะไปไหนวะแน่สัแค่ไหนวะอะไรเนี้ยนะย่างนี้คิดไม่ดีก่อนใจถึงจะโกรธเห็นไหมกระทั่งความโกรธนะต้องมีเหตุนนะมีเหตุตั้งหลายอย่างไม่ใช่เราสั่งได้นะว่าห้ามโกรธหรือว่าโกรธแล้วสั่งให้หายสั่งไม่ได้ไม่มีทางสั่งได้สักอย่างเนี่ยเราตามรู้ลงไปเลยเจอกระทั่งวันหนึ่งใจเราจะรู้ความจริงเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี้ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขนะก็เป็นของชั่วคราวมีเหตุความสุขก็เกิด หมดเหตุความสุขก็ดับไปนะถ้ามันไม่มีเหตุจะสุขนะสั่งให้สุขมันก็ไม่สุขขึ้นมาความทุกข์ก็เหมือนกันต้องมีเหตุให้เกิดนะมันถึงจะเกิดถ้ามไม่มีเหตุมันไม่เกิดหรอกถ้ามันยังมีเหตุอยู่มันเกิดอยู่เนี่ยไล่มันก็ไม่ไปนะกุศลอกุศลโลบโกรธหลงทั้งหลายนะกระทั่งความเครียดความเครียดนี่ในทางศาสนาพุทธถือว่าความเครียดนี่เป็นโทสะจิตตกูลโทสะนะเาะฉะนั้นะนะถ้าใจเครียดใ จ, ใจไม่มีความสุขเนี่ย ความเครียดความทุกข์ทั้งหลายทางใจเกิดร่วมกับโทสะมุรจิตชื่อโทสะมุรจิตคือจิตซึ่งมีโทสะเป็นพื้นฐานนะังั้นถ้าเมื่อไรมีสติเนี่ยอากุศลจะดับทันทีนี่เป็นกฎอีกข้อหนึ่งนะกฎของธรรมะเรียกว่าธรรมนิยามข้อหนึ่งก็คือเมื่อไรมีสตินั้นเมื่อนั้นอากุศลจะดับทันทีดงั้นถ้าเราเมื่อไรมีสติรู้สึกตัวขึ้นมานะใจที่เครียดอยู่ใจที่โกรธอยู่จะต้องหายทันที ไม่มีข้างค้างไม่มีรอเวลาไม่มีดีเลยถามระดับทันทีเลยนะนี่ต้องฝึกนะต้องค่อยๆฝึกเจนสติสมาธิปัญญานี้เชี่ยวชาญขึ้นมาแล้วเราค่อยฝึกวิธีฝึกก็ไม่ยากอะไรนะคอยตามรู้ความรู้สึกนาน า, นาชนิดที่เกิดขึ้นในใจของเราเองคอยรู้ความรู้สึกนาน า, นาชนิดที่เกิดขึ้นในใจของเรานะไม่ใช่ในใจคนอื่นนะต้องรู้ในใจของตัวเองถ้าเราคอยรู้ความรู้สึกที่เกิดในใจเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเนี้ยปัญญามันจะเกิด มันจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทุกชนิดมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ทุกอย่างไหลมาแล้วก็ไหลไปในสุดใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางนี่เป็นพัฒนาการทางจิตใจนะพอมันเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงหนานาชนิดนี้เป็นของชั่วคราวถ้าพอมันเห็นซ้ําแล้วซ้ํำอีกอย่างนี้ยจิตมันจะ ค, ค่อยๆฉลาดขึ้นมา พาความสุขเกิดขึ้นมันจะไม่หลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นมันจะไม่ยินร้ายความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นพอสติะระลึกมันจะดับสันทีเลยนะนั้วเราค่อยๆฝึกไปจนปัญญามันเกิดมันจะเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วรคราวถ้าเราเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วรคราวเนี่ยจิตจะหมดการดิ้นรนนะจิตที่เครียดขึ้นมาได้จิตที่ทุกข์ขึ้นมาได้เป็นบ้าเป็นบอไปได้นะเพราะมันดิ้นรนไม่เลิกมันดิ้นรนไม่เลิกเพราะมันอยากอยากอะไรอยากดี อยากจะไม่ไม่ให้ชั่วอยากจะสุขอยากจะให้พ้นทุกข์ความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหรนะใจจะดิ้นรนเมื่อนั้นใจดิ้นรนเมื่อไหร่ความทุกข์ทางใจก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นเนี่ความดิ้นรนของใจเนี่ยมันเกิดจากจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาพอมันเห็นว่าสิ่งต่างๆ่นี้มันจริงจังเกินไปถ้าเราเฝ้ารู้ความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆรเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นกุศลอกุศลเป็นของช่วคราวไปเรื่อยๆ ในสุดใจจะเป็นกลางความสุขใจเราเกิดขึ้นนะใจก็ไม่หลงระเริงเพราะรู้ว่าอยู่ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่ทุรนทุรายเพราะรู้ว่าเป็นของชั่วคราวอะไรอะไรเกิดขึ้นนะจิตใจก็ไม่ทุรนทุรายเวลาปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวไม่มีหรอกปัญหาที่เกิดตลอดชาติแต่ปัญหาเนี่ยนะหมุนเวียนกันมาตลอดเวลาชีวิตกับปัญหาเป็นของคู่กันนะชีวิตกับปัญหาเป็นของคู่กัน ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็มีปัญหาเรื่องนี้เช่นมีปัญหาเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพเรื่องเศรษ ฐ, ฐกิจนะปัญหาจะหมุนอยู่ตลอดเวลาแต่จิตที่ฝึกดีแล้วนี่นะเราจ ะ, ะเผชิญปัญหาแบบไม่ทุกที่ไม่ทุกเพราะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นกลางได้เราเห็นเลยความสุขมันก็ของชั่วคราวหายไปก็ไม่เห็นหน้าเสียดายอะไรเพราะมันของชั่วคราววันนึงมันต้องหายไปความทุกขก็เป็นของชั่วคราวไปเกลียดมันทําไมมันมีเหตุมันก็เกิดนะหมดเหตุมันก็หายไปเอง มีแมมความทุกข์ที่ไม่หายพวกเราลองนึกดูซิตลอดชีวิตของเรามีแมมความทุกข์อะไรที่ไม่หายไปไม่มีหรอกความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวนะบางคนเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายก็ทุกข์ชั่วคราวใช่ไหมไม่มีใครแพ้มะเร็งสักคนนะมีแต่เสมอกันตายด้วยกันนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นของชั่วคราวในชีวิตถ้าใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้นะใจจะไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลง ความจริงของชีวิตก็คือเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวมีผลประโยชน์เดี๋ยวเสียผลประโยชน์เดี๋ยวมีคนชมเดี๋ยวมีคนด่านะเดี๋ยวมีอะไรอ่ะมีลาบยศสารเสริญนะมีความสุขก็เสื่อมลาบเสื่อมยศมีนินทามีทุกข์นี่เป็นเรื่องธรรมดาพอเจอสิ่งที่ดีใจก็ไม่หลงระเริงเพราะรู้ว่าชั่วคราวเจอสิ่งที่ไม่ดีใจก็ไม่เกลียดชังมันเพราะรู้ว่าเป็นของชั่วคราว เนี่ยใจที่ฝึกอบรมดีแล้วนะมันจะเป็นกลางในทุกๆสถานการณ์ใจที่เป็นกลางในทุกสถานการณ์เนี่ยจะไม่มีความอยากไม่มีความทื่นิรนดได้เกิดขึ้นนะความทุกข์เกิดขึ้นก็สั่งว่ารู้ว่าเห็นนะความสุขเกิดขึ้นก็สังว่ารู้ว่าเห็นใจที่หมดความทื่นิรนใจที่เข้าถึงความเป็นกลางด้วยปัญญาที่เห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวใจชนิดนี้แหละใกล้เคียงต่อการเกิดมรรคผลนิพพานนะจิตวิยาจิตแพทย์คงไม่เรียนเรื่องนิพพานเนาะ เราอย่าเป็นนึกนะว่านิพานเป็นสภาวะในอุดมคติเป็นสิ่งที่อยู่ไกลๆนะเป็นโลยูโทเปียที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นมาหลอกให้คนทําดีจริงๆแล้วนิพานมีจริงๆนะนิพานอยู่ต่อหน้าตาอตาเรานี่เองนิพานคือสภาวะซึ่งใจนี่มันพ้นความปรุงแต่งพ้นความดิ้นรนพ้นความอยากพ้นความทุกข์พ้นกิเลสพ้นความยึดถือสิ่งต่างๆถ้าใจพ้นสิ่งเหล่านี้นะ จิตใจจะมีความสงบมีสันติมีสันติสุขเกิดขึ้นสันติสุขนั่นแหละตัวนิพพานตัวสันตินะถ้าใจเรายังดิ้นรนเราจะไม่เห็นสันติสุขในใจนี้ถ้าใจหมดความดิ้นรนเราจะเห็นสันติสุขนี้ใจหมดความดิ้นรนได้เพราะใจเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะใจเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวใจจะเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวได้ ถ้าเราคอยตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจบ่อยๆรู้ทุกสิ่งที่เกิดในใจบ่อยๆถึงวันหนึ่งมารู้เลยทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวใจก็หมดความยิ้นรนใจที่หมดความยิ้นรนนะจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่อัศจรรย์เป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเป็นความสุขที่อิสระเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นหรือสิ่งอื่นเป็นความสุขที่ใจที่พ้นจากความปรุงแต่ง งั้นพวกเราค่อยๆเรียนนะค่อยๆศึกษาพวกเราบุญเหลือเกิดแล้วที่เราได้เกิดในแผ่นดินซึ่งยังมีธรรมะอยู่นะอย่าให้เสียโอกาสนะให้เสียโอกาสจิตแพทย์ก็เป็นโรคจิตได้นะเครียดได้ไหมถามหน่อยถามซื่อๆพวกเราเครียดต้องไหมรถติดเครียดไหมจะท้องฝูกเครียดไหมเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เครียดหมดนะจริงๆแล้วจิตใจเราเครียดทั้งวันเลยจิตใจเราเครียดอยู่ตลอดเวลาเลย นั่งแล้วเมื่ อ, อยเครียดไหมนั่งแล้วแสงส่องหน้าอย่างหลวงพ่อเนี้ยเครียดไหมไม่เครียดหรอกถ้าเราฝึกให้ดนะีตำรวจมันมาส่องจะสอบสวนเรานะเราก็สบายใจนะมันลอกเราไม่ได้อยู่ที่เราฝึกนะฝึกจนกระทั่งใจเราไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงต่อสภาพแวดล้อมใจได้เป็นอิสระนะเหมือนดอกบัวอยู่ในน้ําไม่เปียกน้ําอยู่ในคโคลนไม่เปื้อนคโคลนนะเราฝึกได้ ถ้าเรารู้วิธีวิธีการก็คือคอยมีสตินะคอยรู้สึกตัวไว้นะแล้วก็คอยตามรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งปัญญาเกิดเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวพอเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวใจจะหมดความดิ้นรนพอใจหมดความดิ้นรนนะใจจะเข้าถึงสันตินะฝึกดูนะก็จะพบว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะัะเดี๋ยวนี้ประมาณเดือนเดียวเท่า น, นะ น, นั้นหัดเจริญสติเนี่ยประมาณเดือนเดียวเท่านั้น จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างอัศจรรย์ที่สุดไม่ใช่หลวงพ่อเก่งแต่ว่าพระพุทธเจ้าเก่งธรรมะเหล่านี้เป็นของพระพุทธเจ้านะท่านสอนให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมันน่าทึ่งนะแค่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงทําไมให้พ้นทุกขได้นะแค่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้แหละทำเราพ้นทุกได้ทั้งๆที่คนในโลกนะเกลียดความทุกข์นะยิ่งเกลียดยิ่งดิ้นรนยิ่งดิ้นรนยิ่งทุกข์แปลกไหม ยิ่งเกลียดอะไรยิ่งได้สิ่งนั้นรู้สึกไหมเกลียดอะไรก็ได้สิ่งนั้นถ้าใจเป็นกลางนะสิ่งนั้นจะมาหรือสิ่งนั้นจะไปนะเราไม่หวั่นไหวเลยนะแล้วเราค่อยฝึกนะค่อยตามรู้ค่อยตามดูไปอย่าลืมกด3ข้อนะข้อที่1ให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้อย่าไปจ้องไว้ก่อนข้อที่2ระหว่างรู้อย่าถลําลงไปเพ่งข้อที่สรู้ด้วยความเป็นกลาง แต่ถ้ามันเกิดไม่เป็นกลางมันยินดีให้รู้ทันมันยินร้ายให้รู้ทันถ้าทำตามกฎ3ข้อนี้ไม่นานเราจะเห็นทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจเป็นกลางนี่พวกเราเป็นหมอเป็นจิตแพทย์เป็นอะไรนะหรือพยาบาลอะไรต่ออะไรนะอยู่โรงพยาบาโลโรคจิตใครพบไหมคนไปทำกรรมฐานแล้วบ้าเยอะมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ทาถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนยกตัวอย่างนะบางคนไปนั่งหายใจ หายใจแล้วก็น้อมจิตให้ไหลไปอยู่นิ่งอยู่กับลมหายใจการน้อมจิตไปนิ่งอยู่ในลมหายใจเหมือนสะกดจิตตัวเอง น, นั่นเองเริ่มสะกดจิ ต, ตเองนะใช้จิตไป็แนบอยู่ที่ลมนะคราวนี้พอจิตมันไปอยู่ที่ลมนานๆเนี่ยเลือดมันจะมาอยู่ที่สมองส่วนหน้าเยอะมันจะรู้สึกสว่างขึ้นมาเพราะสว่างขึ้นมาเนะี่ยจะไปเพ่งความสว่างนี่มันจะเป็นดวงสว่างขึ้นมานะจะให้มันเล็กก็ได้ให้มันใหญ่ก็ได้นะ เกิดอยากรู้อยากเห็นอะไรจิตใต้สํานึกอยากรู้อยากเห็นอะไรนะมันเห็นตลอดเลยนะจริงบ้างโกหกบ้างเชื่อไม่ได้ดอกนะดูไปดูมาเริ่มแยกไม่ออกแล้วอะไรของจริงอะไรของปลอมนะนี่ภาวนาแล้วเพี้ยนไปนะหรือบางคนนะมีความทุกข์อยู่แล้วพยายามไปเข้าวัดไปเข้าคอร์สนะยกตัวอย่างสมมติบางคนไปดูท้องฝ่องยุคนาะเดี๋ยวนี้มีเยอะนะดูท้องฝ่องยุบเอาจิตเนี้ยไปแนบอยู่ที่ท้องตรงนี้ผิดกดอะไรบ้างอันแรกเลยไปดับจ้องเอาไว้ใช่ไหม ไม่ใช่แค่สักว่าเห็นสักว่ารู้นะแต่ปิดจ้องเอาไว้ไปิดเพ่งเอาไว้ก่อนไปตามรู้ตามสุพิดักดูไว้จ้องตลอดเวลานะน้อมจิตให้แนบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเครียดนะเพราะจิตมันอยากจะดิน้นจิตนี้เหมือนเด็กเด็กนี่เราบังคับมันมากเด็กมันจะเครียดถ้าจิตนี้เหมือนเหมือนกับเด็กนะเด็กมันสนนี่เราอย่าไปบังคับมันให้ให้ไม่สนเราต้องเอาอะไรที่ดีๆไปล่อมัน เช่นเราเอ า, เ อ, าเอารมณ์ที่สบายใจไปลอดนะจิตก็ยังไม่สนสมมุติดูท้องพองยุบแล้วสบายใจก็ดูท้องพองยุบไปจิตไม่หนีไปสนที่อื่นได้สมถะนะสมถะกรรมฐานนะไม่ใช่วิปัสนานแต่ถ้าจะเดินวิปัสนาจริงนะจิตจะต้องตั้งมั่นขึ้นมานแล้วเห็นร่างกายพองร่างกายยุบเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูต้องแยกรูปแยนามแยกกายแยกใจออกจากกันให้ได้ก่อน เวลาเดินจงกรมก็เหมือนกันนะจิตอยู่ตังห่าจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเดินแต่ถ้าเมื่อไหรจิตไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายนะจิตจะเครียดเมื่อไหรจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจไปบังคับจิตให้อยู่กับลมจิตก็เครียดเมื่อไหร่ไปบังคับจิตให้อยู่ที่ท้องจิตก็เครียดเมื่อไหรบังคับจิตเมื่อนั้นจะเครียดเครียดมากๆสติแตกได้นะเครียดมากๆสติแตกบางทีหอบขี้วกะโตกะเตงแทนที่จะไปหาจิตแพทย์นะหาพากันไปหาหลวงพ่อก็มีนะ ให้เราแก้ให้เราไม่ใช่จิตแพทย์นะเพราะนั้นเดี๋ยวหาว่าเราแย่งงานแต่จิตแพทย์แก้ไว้หายอ่ะแก้ไว้หายถ้าเขาไม่เลิกเพ่งถ้าเขาไม่เลิกบังคับตัวเองแล้ว เ, เครียดเฉะนั้นกรรมาฐานจริงๆถ้าทําถูกนะจะไม่เครียดถ้าทําผิดถึงจะเครียดทําถูกแล้วไม่เครียดนะเพราะเครียดเนี่ยเป็นจิตอกุศล น, นะจิตที่เครียดนี่เป็นโทสะโมระจิตในอกุศลถ้าทําถูกจะไม่เครียด ทำถูกทำยังไงถ้าจะรู้ลมหายใจนะ <_ d ose> เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูสบายๆเหมือนดูคนอื่นหายใจเราไม่มีส่วนได้เสียนะแค่ร ะ, ะลึกไปเห็นร่างกายนี้หายใจไปเรื่อยจะเริ่มรู้สึกเหมือนร่างกายนี้เป็นคนอื่นไม่ใช่ตัวเรานะหายใจไปหายใจไปจิตแอบไปคิดรู้ทันว่าจิตไปคิดนี่เห็นเลยจิตมันแอบไปคิดได้เองจิตม้ไม่ใช่ตัวเราืนะางคนดูท้องพองยุบนะเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบจิตเป็นคนดู งั้นก่อนจะดูท้องฟองยุ้มได้ต้องแยกรูปแยกนามก่อนกายอยู่ส่วนหนึ่งนะใจเป็นคนดูแยกออกมาจะเดินจงกรมกายก็เดินไปใจเป็นคนดูต้องฝึกให้ได้อย่างนี้รับรับลองไม่บ้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปเพ่งไว้นะเราโอกาสเพี้ยนนี่เยอะมากเลยถ้าเพ่งเราเครียดหรือบางคนภาวนานะเพ่งเพงเพ่งจนขาดสติลืมตัวเองเลยนะเหมือนโดนยาสลบหมดความรู้สึกเลยสิ่งเหล่านั้นแปลกปลอมทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติสอนให้เรารู้สึกตัว แล้วเราคอยรู้สึกตัวนะเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทำงานไปเรื่อยแล้วแต่ถนัดดูกายก็ได้ดูใจก็ได้แต่ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันดูกายมันก็จะเห็นว่าร่างกายเนี้ยที่ยืนเดินนั่งนอนที่หายใจเอาหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นที่เคลื่อนไหวจิตที่เป็นคนรู้คนดูนะก็อยู่ต่างหากจิตก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเราอีกหรือบางคนจะมาดูจิตใจนะเห็นจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงมันโลภมันโกรธมันหลงของมันได้เองนะไม่ใช่เราสั่ง เราสั่งมันไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเพราะเราสั่งมันไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้ลงไปรู้ลงไปนะจนเห็นเลยกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราถ้ารู้อย่างนี้ไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดนะมันรู้เลยตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีหรอกนะเหมือนที่ไอสไตล์เคยบอกไอสไตล์บอกว่ามนุษย์นี่เป็นเศษทุลีของจักรวาลเท่าเป็นขี้ฝุ่นเท่านั้นเองนะแต่มนุษย์เนี่ยสำคัญตัวผิดว่ากูเก่งกูแน่กูหนึ่งกูใหญ่ทั้งที่เป็นขี้ฝุ่นเนี่ย ถ้าเราพาวาจริงๆเราจะรู้สึกเลยว่าไม่แค่เศษธุลีนะเศษธุลีท่านเองมันจะไม่ยึดถือหรอกเพราะนั้นร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายใจจะไม่เดือดร้อนด้วยเลยเพราะมันไม่ใช่ตัวเรามันเห็นด้วยปัญญาอย่างยิ่งจิตใจก็เหมือนกันนะมันวิ่งไปวิ่งมามันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วมันทํางานของมันเองไม่ใช่ตัวเราเลยคนใดที่เห็นว่ากายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรานะคนนั้นแหละคือพระโสดาบัน กระบวนการที่จิตจะเกิดอริยมรรคก็มีกระบวนการนะไม่ใช่อยู่ๆก็นึกนึกเอาว่าเป็นพระโสดาบันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในศาสนาพุทธรับรองจิตแพทย์ไม่มีหรอกนะที่เรียนมาไม่มีแน่เลยว่ากระบวนการบรรลุพระโสดาบันเป็นยังไงกระบวนการบรรลุพระอนาคาพระอรหันต์เป็นไงแต่มันมีกระบวนการจริงๆนะการทํางานของจิตนัเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเลยนะแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัด เคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงนะ้อยลงนะเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงสั้นลงนั้นะ ล, อลองไปดูนะพวกเราลองใครว่างๆลองไปดูที่วัดหลวงพ่อดูเราจะพบว่าคนที่ไปนั่งเรียนอยู่นะพองใสมากเลยแต่และคนมีความสุขมีความสงบนะบางคนจนนะทุกคนบางทีก็มีปัญหาชีวิตนะปัญหามันมีทุกคนแต่เขาไม่ทุกข์ได้เขาสามารถแยกปัญหาก็ส่วนปัญหานะจิตใจที่ไม่ได้เกลียดชังปัญหานะจิตใจนั้นไม่มีความทุกข์ปัญหาเนี่ย เป็นธรรมชาติของชีวิตความทุกข์เป็นส่วนเกินของชีวิตศา ส, สนาพุทธจะสอนเจชิญกระทั่งเราไม่มีความทุกข์เรารเผชิญกับปัญหาชีวิตทุกอย่างทุกอย่างด้วยใจที่ไม่มีความทุกข์รับรองไม่เครียดเอาเท่านี้ก็พอนะเอาแค่ไม่เครียดรับรองพวกเราอย่าเครียดอยู่ทุกครั้งที่ใจอยากใจก็จะเครียดลองสังเกตดูเท่านี้แหละนะใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญขออนุญาตนะครับมี ใครที่ต้องการจะมีคําถามหรือว่าเชิญครับก็จะจะมีสตาฟ2ท่านครับคืออาจารย์ดาวชมพูอาจารดาวชมพูช่วยกับอาจารย์สุจิตนะครับก็สามารถเรียนแถว ต, ต่อต่อตกันนะครับแล้วถามทีละท่านนะครับเชิญครับนวัสักการบุญเจ้าครับผมนายแพทย์บุญช่วยเทพยศนะจากโรงพยาบาลอุดรพรุ่นี้มีปัญหาหนึ่งนะที่พอดีมีคนไข้มาถามผมนะครับบอกว่าเนี่ยเข้าไป ฝึกปฏิบัติธรรมนะแล้วตอนนั้นเขาพาคุณแม่ไปด้วยแล้วก็เกริ่ว่าคุณแม่ท่านมอ ง, มองภาพนะตอนที่ปฏิบัติธรรมเขาก็มีความกังวลนะนะแล้วก็มีความสงสัยเอ๊ะแม่จะไปเกิดที่ไหนเนาะจะทํายังไงดีนะเขาก็ทุกข์ใจมาแล้วปรึกษาก็เลยจะเรียนท่าะอาจารย์ให้ช่วยตอบปนนัญหาที่นีลยนะยแม่ไปเกิดที่ไหนเนี่ยเรื่องหนึ่งนะแต่เขาทุกข์ใจเนี่ยเขาทุกข์จริงๆแม่ไปเกิดที่ไหนยังไม่รู้่แต่ทุกข์จริงๆเกิดขึ้นแล้ว หน้าที่ของชาวพุทธไม่ใช่ไปสนใจว่าใครไปเกิดที่ไหนนะชาติน้ามีหรือเปล่าละอะยังลังเลอยู่เลยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่แท้จริงไม่มีใครคัดค้านได้นะคืออริย ส, สัจสความทุกเกิดขึ้นมาที่ใจเราเนี่ถ้าเรามีความอยากใดๆเกิดขึ้นแค่อยากรู้ว่าแม่ไปเกิดที่ไหนก็ทุกแล้วละ่นะเขาไม่ต้องห่วงแม่หรอกตอนนี้ให้ให้ดูใจของตัวเองไว้นาะมนส ก, การหลวงพ่อครับ ผมติดเพ่งมาสองปีแล้วครับอ่อนลงแล้วเบาลงแล้ว ร, รู้สึกไหมใจมันเริ่มเคลื่อนไหวได้แล้วตาม ร, ารู้ไปจิตไม่ตั้งมั่นตัวออกไหมจิตอยู่นอกครับมันไม่ย้อนเข้ามาที่การที่ใจไม่ทราบว่าช่วงนี้เหมือนกับไปฟุ้งซ่านกับเรื่องภายนอกมากเกินธรรมดานะไปฟุ้งซ่านกับเรื่องภายนอกใจก็ไม่มีพลังใจไม่มีพลังแล้วพยับามเข้าไปควบคุมก็ไปเพ่งเป็นวงจรของมันอย่างนี้ ให้มีสติรู้ไปได้ให้รู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นไหมปัญหาตอนนี้คือใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหมดูออใจไปอยู่ข้างนอ ก, ออกใจมันไม่ทวนเข้ามาที่กายที่ใจศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์จริงๆเลยถ้าเรียนแล้วโอ้อัศจรรย์ความทุกขนะ์นั้นมันกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาได้แปลกเชิญกรรมัสการค่ะเปลี่ยนถามพระอาจารย์ว่าที่ตัวเอง ปฏิบัติตามแนวเนี่ยนะคะอพอเห็นความคิดเนี่ยคิดมากก็จะรู้รู้ตัวเป็นบางช่วง mm hmm. ความโลภก็เห็น mm hmm. แต่เวลาเห็นความโกรธเนี่ยรู้สึกจิตมันไม่เป็นกลางอย่างยิ่งรู้สึกไม่พอใจแล้วมันก็จะลากยาวท่านประธานไม่ต้องไปกังวลใจว่า<ม>ความโกรธไม่ดับ<ม>การที่เราตามรู้จิตใจตัวเองเนี่ยไม่เชื่อเพื่อดับความโกรธไม่มีใครดับความโกรธได้นะ ความโกรธเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับความโกรธถึงจะดับถ้าเรายังคิดอยู่นะยังทําเหตุอยู่ความโกรธก็มีอีกหน้าที่ของเรามีแค่ว่าจิตมีความโกรธให้รู้ว่ามีความโกรธเฝ้ารู้เฉยๆรู้ได้ใจเป็นกลางดูเหมือนเห็นคนอื่นโกรธฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะต่อไปสติมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นคือแต่ละคนจะมีจุดอ่อนบางคนมีจุดอ่อนที่ความโลภพอความโลภเกิดแล้วก็ทนไม่ได้หรืออย่างบางคนเจ้าชู้นะ เห็นสาวแล้วทนไม่ได้แต่และคนจะมีจุดอ่อนบางคนมีจุดอ่อนที่ความโกรธ ถ, ถ้าความโกรธเกิดแล้วทนไม่ได้ดังนั้นกิเลสใดที่เป็นจุดอ่อนของเราเนี่ยต้องใช้เวลาท่านประธานก็รู้ด้วยความเป็นกลางไวนะ้ไม่เพ่งพรจิตขณะนี้เพ่งอยู่นะยังมีการเพ่งอยู่วิธีสังเกต ง, ง่ายๆว่ายังมีการเพ่งอยู่ก็คือมีการกดเอาไว้ให้นิ่งจิตจะมีน้ำหนักขึ้นมารู้สึกไหมมันหนัก คนโบราณเก่งนะมีคําว่าหนักใจหนักจริงๆนะไม่ใช่ไม่หนักถ้าเมื่อไรเราเพ่งไวนะ้มันจะหนักแต่ถ้าเราปล่อยนะเราทําตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่หนักนะไม่เครียดแค่จิตฟุง้งซ่านเราอยากให้จิตสงบเราไปเพ่งไว้จิตยังเครียดเลยเห็นไหมถ้าเมื่อไรมีการกระทํานะมีการแทรกแซงสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อไหรนะ่ความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อนั้นเลย ท่านท่านอยากพูดท่านทราบไหมเห็นใจมันมีความอยากพูด <c oughs> ความอยากพูดผุดขึ้นตรงไหนดูออกไหมที่กลางอกถูกต้องงั้นปฏิบัติไปแนวนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะดูดูไปตามสบายนะอย่าเพ่งนะยัง <c oughs> มีการ <c oughs> ควบคุมตัวเอง <c oughs> มากไปนิดนึงศา ส, สนาพุทธไม่บังคับตัวเองนะแต่ว่าควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาไว้กอดด้วยศีลแต่ทางใจเนี่ยไม่กดข่มให้นิ่ง <c oughs> มีสติตามดูความเปลี่ยนแปลงเชิญนวัสการะพุเจ้าครับผมมีสองคำถามนะครับท่านคำถามแรกคือถ้าปฏิบัติแล้วใจมันว่างแล้วมันก็รู้สึกนิ่งแล้วก็เฉยครับหมายควากว่าจะปฏิบัติอย่างไรระหว่างนั้นอย่าไปฝึกอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปดูความนิ่งความว่างท่านสอนให้ดูกายดูเวทนาดูจิตดูสภาวะธรรมนะฉะนั้นเราหน้าที่เราต้องรู้ทุกไม่ใช่รู้ว่าง พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรใจเราไปหลงในความนิ่งความว่างเรามีความสุขแต่ความสุขนี้เป็นความสุขแบบเสพติดนะเป็นพบพบหนึ่งอะเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่จิตไปสร้างขึ้นมาแล้วจิตก็ไปติดอยู่ถ้าไปยินดีพอใจก็จะติดอยู่ตรงนี้เรื่อยๆไปนะตรงนี้จะไปเอารูปประพลมน ะ, ะไปเป็นพรมที่ไม่มีร่างกาย ท่นี้ประเด็นปัญหาก็คือพอดีผมฝึกตั้งแต่เด็กมาครับง่ายๆนะของคุณคอยร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปอย่าให้ใจไปเฉยอยู่ในความว่างร่างกายเคลื่อนไหวของคุณคอยรู้สึกไปร่างกายมันกระดุกกระดิกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายหายใจออกหายใจเข้าให้รู้ไปอย่างสบายๆของคุณตรงนี้รู้แบบรุนแรงไปให้รู้แบบสบายๆดูร่างกายมันอย่างผ่อนคลายดูด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายใจหนีไปคิดทราบไหม ใจไหลแวบไปน ะ, บนะให้คอยรู้ทั น, น, หท น, นเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวซ้ายแลขวาดูไปเรื่อยๆนะแล้วจะเห็นเลยร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เราจะไม่ติดอยู่ในความว่างละคำถามข้อที่สองนะครับท่านก็คือว่าเป็นคำถามของคนอื่นนะแต่ผมตอบไม่ได้ก็คือว่าพอดีผมต้องดูทหารที่ปฏิบัติการภักใต้ยอยู่ด้วยครับ ตอนนี้หลายคนก็ต้องจากลูกจากเมียไปอยู่ที่นั้นออืแล้วก็บอกว่าเขาอาจจะต้องตายเมื่อออกปฏิบัติการแล้วก็ทุกข์คาถามคือเขาจะจัดการกับความทุกข์ยังไงเพอมันเป็นสภาพวะที่เป็นจริงว่าเขาต้องจากลูกจากเมียมาอาจจะต้องออกไปแล้วก็ตายอาจจะไม่ได้พบกันอีกอืซึ่งคือคื อ, คอถ้าเขามีสตินะให้เขาอยู่กับปัจจุบันไปเขามีความทุกข์ห่วงลูกห่วงเมียไดนะ้หรือว่ากังวลเรื่องจะตายได้นะ แล้วเข้าไปคิดเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างพยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันนะรู้สึกตัวไปได้ความทุกข์จะเกิดขึ้นไม่ได้หรอกตายก็ตายนะค่นนี้ประเด็นปัญหา ก, ก็คือว่าขณะที่เขาทุกข์อยู่ครับเขาไม่สามารถที่จะกําหนดรู้เหล่านั้นได้ครับท่านต้องทุกไปก่อนนะถ้าดูไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องดูก่อนทุกข์ ถ้าดูตอนที่ปัญหาหนักๆเกิดขึ้นแล้วเนะี่ยมันสู้ไม่ไหวต้องหัดซะก่อนช่วยส่งซีดีหลวงพ่อไปให้เขาฟังไปครับจะจะเรียนถามว่าถ้าเกิดว่าทำเรื่องของคล้ยๆสมถะก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความสมถะนี่นะอันตรายมากเลยนะภาวนาไปที่เป็นบ้าเนี่ยเพราะสมถะทั้งนั้นยิ่งเครียดๆมากนะแต่ไปมันจะกดตัวเองมันจะหีไปอยู่ในโลกภายใน แทนที่จะออกมารู้โลกอย่างที่มันเป็นอยู่ทำสมถะแล้วก็หลบอยู่ข้างในไปนานๆ น, น, นี่อันตรายลูกระเบิดมาก็หนีไม่ทันนะเมื่อแต่มองด้วยใจที่ว่างเปล่างั้นเสร็จเลย <c oughs> ต, ต้องตีนไวๆไว้นะ <c oughs> มือเ <c oughs> ท้าให้มันว่องไวไว้เวลาใช้อย่างนี้ดีกว่านะถ้าเขาเป็นชาวพุทธนะ่ะให้เขาคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะแทนที่จะให้คิดถึงลูกถึงเมียแล้วก็เศร้าโศก คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์อะไรเนี้ยเอาซีดีหลวงพ่อไปเปิดให้ฟังก็ได้มีนะจิตแพทย์หลายคนรักษาคนไข้ไม่หายนะใช้ไม้ตายนะเอาซีดีหลวงพ่อไปให้นะมันหายได้นะทําไมหายได้มัวฟังซีดีมันไม่ได้คิดเรื่องเครียดนะมันก็หายสิเอาอยาให้กินแนละ้วมันก็กลุมใจแล้วถึงเวลานี้กินยาอีกแล้วกินทีละกํามืออะไรเงี้ยแค่เห็นยาก็เครียดแล้วครับ กับนวัตสการท่านอาจารย์นะครับวันนี้ความจริงผมเพิ่งมารู้ตัวว่าตอนเช้านี้กระวนกระวายรีบจะมาฟัง ท, ท, ท, ท, ที่ท่านฝึกใช้ได้นะครับก็เ<อ>พิ่งทราบเพิ่งทราบว่ากระวนกระวายตั้งแต่เช้าเพรถติดนะครับ อ, อยากจะกลับเรียนถามท่านอาจารย์ว่าอยากจะให้ท่านอาจารย์สรุปว่าถ้าสมมติมีคนที่เป็นทุกข์ใจนะ มาปรึกษาสักสองสามครั้ง อ, อ, อยากให้ท่านอาจารย์วางวางแนวให้ให้กระผมทราบหรือว่าที่ประชุมทราบว่าในสองส 2-3 ครั้งเนี่ยท่านอาจารย์จะมีมีกระบวนการเพื่อให้คนที่มีทุกข์เนี่ยคลายทุกข์ได้เพื่อจะไปผสมผสานกับวิธีของจิตแพทย์ น, นะครับกราบขอบพระคุณครับคือลำพังคลายทุกข์ไม่ยากะนะ แค่เขาทุกข์ใจแล้วเขามานั่งบนให้หมอฟังเขาก็สบายใจได้ ช, ไชั่วคราวได้ช่วคราวที่ดีที่สุดนะที่จะช่วยเขาได้ในระยะยาวนะค่อยๆฝึกให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาอย่างเวลาเขาทุกนะข์แล้วก็จะฟุงฟ้งๆไปในโลกของความคิดนะคิดวนไปอดีตวนไปอนาคตเนี่ยค่อยๆกระตุน้นค่อยๆทาให้เขารู้รู้สึกตัวขึ้นในปัจจุบันนะถ้าเขารู้สึกตัวขึ้นในปัจจุบันเมื่อไหร่ได้เขาหายเลย แต่ถ้าเขายังรู้สึกตัวไม่ได้นะก็แค่ผ่อนคลายเป็นชว่วครั้งชว่วคราวนะคล้ายๆปวดหัวก็กินพาราอนะไรเงี้ยต้นเหตุมันไม่ได้ขจัดไปงั้นหลายคนบางทีไปกลุ่มใจมากๆนะไปอยู่ใกล้ๆอัตมานะค่อยๆสอนไปอย่างเงี้ยไม่ได้จําจี้จำชัยอะไรนะแห้เข้าฟังไปฟังไปแล้วเข า, เขาคอ่คอยสังเกตความรู้สึกของตัวเองไป เ, เรื่อยพอเขาสังเกตออกเขาก็าหายนะความเครียดความทุกข์มันหายหมดนะ งั้นถ้าจะพูดถึงหลักแต่ละท่านคงจะเก่งว่าตมาว่าจะทํายังไงเวลาเจอคนไข้แต่ถ้าตามาเจอคนเป็นโรคอย่างนั้นคนเครียดเครียดมาเนี่ยบางคนต้องการปรับทุกนะก็ให้เขาปรับทุกไปก่อนเสร็จแล้วก็ค่อ ย, ค, อ ย, ค, อยค่อยพาความรุนแรงในความรู้สึกลดลงแล้วอะไรเงี้ยค่อยๆกระตุ้นให้เขาหันรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกไหมตอนที่กลุ้มใจตอนที่ทุกเนี่ยมันเป็นตอนที่เราคิดเ อ, อทาทั้งนั้นเลย ถ้าเมื่อไรเขารู้ทันว่าจิตเขาไหลไปจิตนั้นะเขาจะตื่นขึ้นมาความรู้สึกนะั้นมันจะเป็นความตื่นซึ่งอัศจรรย์มากเลยเมื่อไรตื่นขึ้ น, นมานะความทุกข์มันจะกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตากับนะมัสการหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อสอนไว้ว่าให้อารมณ์เกิดก่อนแล้วค่อยดูตามผมยังไม่ค่อยเข้าใจครับ mm hmm. ผมเข้าใจว่าดูก่อนแล้วจึงค่อยให้อารมณ์เกิดตาม ก็ยังสับสนอยู่ครับถ้าเราจงใจดูนะแรกเลยจงความจงใจที่จะดูเนี่ยถ้าพูดภาษาพราะนะมันมีปัญหามีความอยากนําไปละสติจะไม่เกิด <S <S ถ้าเราอยู่ๆก็จงใจดูไปจ้องไว้รอดูว่าเมื่อไร่จะเกิดทุกอย่างจะนิ่งมันจะกลายเป็นการเพ่งคือก็อผมหมายความว่าดูก่อนคือพิจารณาก่อนว่าเออมันเป็นอย่างไรอเราจึงเกิดอารมณ์ตาม Oh. แต่ว่าหลวงพ่อบอกว่า hmm. ให้อารมณ์มันเกิดก่อน hmm. แล้วจึงดูตาม hmm. ผมบางทีเข้าใจว่าคนบางคนนั้นอารมณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันยาว hmm. มันยากที่จะ hmm. ดูตามได้มันยากมันยากจริงนะแต่ต้องฝึกพระพุทธเจ้าใช้หลักอย่างนี้นะดูกราภิกสูทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคานะหลักเท่านี้เองจิตมีราคะนะแล้วก็ให้รู้ว่ามันมีราคะ ถ้าไม่ได้บอกว่าพิสูจน์เท่าไรให้พิจารณาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มีราคะหรือว่าพิจารณาดักไว้ก่อนลองดูนะการคิดพิจารณาไว้ก่อนเนี่ยสิ่งที่ได้นะได้ความสงบของจิตแต่ถ้าการตามรู้ทุกสภาวะที่เกิดขึ้นมาเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเป็นการตามสังเกตการหลักของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะพ้นจากการคิดเอา รับใดที่เรายังคิดเอาเนี่ยเราจะไม่เห็นความจริงเพราะความคิดนั่นแหละปิดบังความจริงไว้ลองทดลองดูนะลองทดลองดูทีนี้การฝึกให้รู้จักอารมณ์ของตนเองอยู่เสมอกับการฝึกให้ตัวเราเป็นผู้สังเกตอารมณ์ของตัวเราไม่ทราบว่าอย่างไหนจะสงบกว่ากันครับให้หลักการง่ายๆเลยที่เราจะสังเกตเอง ทำตัวเป็นผู้สังเกตการได้นะมันจะประกอบด้วยธรรมะสองออนนงานนะึมีสติอันนึงมีสัมมาสมาธิใจจะตั้งมั่นมันถึงจะเป็นผู้สังเกตการได้วิธีที่จะฝึกให้เกิดสติก่อนสติเนี่ยในทางอภิธรรมจะสอนเลยสติเป็นความระลึกได้สติเกิดจากทีระสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นงั้นหน้าที่ของเรานะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยจนกระทั่งจิตจําสภาวะได้ ต่อไปอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นทีแรกโกรธตั้งนานนะแล้วเพิ่งระลึกได้ว่าโกรธเนี่ยต่อไปนะพอใจเริ่มไหวโกรธขึ้นมาบับสติระลึกแนละความโกรธ จ, จะดับทันทีเลยค่อยๆฝึกจนกระทั่งเกิดสติอัตโนมัติขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆฝึกจิตไปจิตปกติจะไหลไปตลอดเวลาไหลไปคิดไหลไปโน้นไหลไปนี้นะแล้วค่อยรู้ทันค่อยรู้ทันเรื่อยๆหรือบางคนก็บริกรรมบางคนพูดโธบังคนหายใจอนะไรเนี่ย เป็นเครื่องสังเกตไว้พุโทโธพุโทโธจิตนี้ไปเรารู้ทันหายใจแล้วจิตนี้ไปรู้ทันเรรู้ทันมากๆเข้านะจิตจะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นนะเรามีสติรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตตัวนี้ถึงจะเป็นผู้สังเกตการได้ต้องฝึกก่อนที่จะเป็นผู้สังเกตการนะ